ที่ห้องสมุดข อ, องหมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะมีนักศึกษาสองคนนะกำลังโต้เถียงกันแล้วก็เสียงก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะจนเริ่มจะรบกวนนักศึกษาคนอื่นๆในห้องสมุดบรรณารักษ์เนี่ยจึงเดินไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น คนแรกบอกว่าเนี่ยต้องการให้เปิดหน้าต่างส่วนคนที่สองบอกว่าอยากให้ปิดก็เลยโต้เถียงกันเนี่ยคนนึงเรียกร้องจะให้เปิดหน้าต่างอีกคนหนึงไม่ยอมจะให้ปิดหน้าต่างท่าเดียวอั น, นี้จะเป็นบรรณารักษ์นี่จะทำยังไงถ้าเราเป็นบรรณารักษ์เนี่ยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย บรรดาลคนนี้ก็ถามนักศึกษาคนแรกว่าที่ยายเปิดหน้าต่างเพราะอะไรเขาบอกอยากจะให้อากาศมันถ่ายเทเพราะว่าในห้องส ม, มุดนี่นอากาศมันมันอับพอถามคนที่สองนักศึกษาคนที่สองก็บอกว่าที่ให้ปิดที่ยายปิดหน้าต่างก็เพราะว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยลมมันจะพัดเข้ามา กระดาษเอกสารมันก็จะปลิวนะถ้าเราเป็นบานณารักษ์เนี่ยจะทำอย่างไรจับฉลากไหมว่าอกลงจะเปิดหรือปิดหน้าต่างดีพอบานณารักษ์ได้ฟังนะความต้องการหรือเหตุผลนะของนักศึกษาสองคนแกก็เลยแนะว่าเนี่ยลองเปิดหน้าต่าง ที่อยู่เยื่องไปดีไหมคือเยื่องไปเนี่ยประมาณตั้งสองสมเมมีมันก็มีหน้าต่างอีกบานหนึ่งที่จริงไม่ได้บานเดอะสองสาบานเลยเปิดหน้าต่างที่อยู่เยื่งยื่องเนี่ยจะเห็นเป็นยังไงคนแรกก็โอเคนะเพราะว่าเปิดหน้าต่างตรงนั้นอากาศมก็ถ่ายเทอย่างที่ต้องการส่วนนักศึกษาคนที่สองก็บอกว่าก็ได้ นะเพราะว่าถ้าไปเปิดตรงนั้นเนี่ยลมเข้ามาอย่างไงมันก็ไม่พัดเอกสารกระดาษบนโต๊ะให้เปลิวเพราะว่ามันอยู่เยื้องๆกันก็เป็นว่าตกลงนะเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายคนหนึ่งก็มีอากาศถ่ายเทอีกคนหนึ่งก็ไม่ต้องห่วงว่าลมมันจะพัดกระดาษให้เปลิวมีกรณีหนึ่งนะพี่น้องสองคนเนี่ย ทะเลาะ ก, กันเรื่องสม้มส้มเนี่ยที่บ้านเนี่ยมันเหลืออยู่ลูกเดียวผนพี่ก็อยากได้ผนน้องก็อยากได้ก็ทะเลาะกันพี่ก็บอกว่าน้องนะต้องยอมพี่ส่วนน้องก็บอกพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องแม่นี่พอได้ยินก็ก็เลยมาถ้าเราเป็นแม่นี่จะทํำยังไงนะเพราะว่าลูกสองคนก็อยากจะได้สม้ม ผ่าครึ่งไหมแม่คนนี้ไม่ทาอย่างนั้นนะแกก็ถามลูกทั้งสองคนนะถามคนพี่ก่อนว่าทำไมอยากได้ถาถามน้องก่อนทาไมอยากได้ส้มน้องบอกว่าส้มมันอร่อยนะอยากกินนะมันหวานแล้วคนพี่เหรอทำไมถึงอยากได้ส้มแกบอกว่าครูสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยทดลองนะการเอาเปลือกส้มมาเป็นยา ก, กันยุงนะ ไล่ยุงเนื้อเลยอยากได้เปลือกส้มนะเอาไปตากแห้งนะไปทําการทดลองตามที่ครูสั่งพอรู้คําตอบแบบนี้รู้ว่าเหตุผลของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการส้มเนี่ยคืออะไรมันก็ง่ายนิดเดียวนะก็ให้น้องเนี่ยกินเอาเนื้อส้มไปส่วนพี่นี่ก็เอาเปลือกส้มไป เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายน้องก็พอใจได้กินส้มพี่ก็พอใจได้เปลือกส้มก็เลยว่าถ้าภาษาสมัยใหม่เขาเรียกวินวินนะคือได้ทั้งคู่ไม่ต้องผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งนี่มันก็มันก็ได้เหมือนกันนแต่ว่ามันไม่เต็มที่นะแต่ถ้าใช้วิธีการของแม่นี่อ่อ มันดีกว่าเพราะว่าได้อย่างที่ต้องการทั้งสองฝ่ายนะทั้งสองกรณีเนี่ยที่เรามาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องความขัดแยง้งแต่มันก็คลี่คลายไปได้โดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยพอใจวินวินทั้งคู่นะเพราะอะไรนะเพราะว่าตัวกลางเนี่ยเขา สอบถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงเรียกร้องอย่างนั้นทำไมถึงอยากจะให้เปิดหน้าต่างทำไมจึงอยากจะปิดหน้าต่างดูมันขัดแย้งกันนะแต่พอถามเหตุผลแล้วหรือความต้องการที่แท้จริงมันก็จัดการได้ไม่ยากนะเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย เวลามีความขัดแย้งกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเรียกร้องสิ่งที่ขัดแย้งกันเช่นเปิดหน้าต่างกับปิดหน้าต่างหรือว่าเรียกร้องสิ่งเดียวกันแต่ว่ามีน้อยเช่นอยากจะได้ส้มทั้งคู่นะแต่ว่ามีส้มอยู่ลูกเดียวอะถ้าเราลองถามเหตุผลว่าทําไมถึงเรียกร้องอย่างนั้นเราจะพบว่าปัญหามันจัดการได้ไม่ยาก เพราะว่าเหตุผลเนี่ยที่เรียกร้องให้เปิดหน้าต่างก็ดีปิดหน้าต่างก็ดีเนี่ยมันมันสามารถจะจัดการได้โดยไปเปิดหน้าต่างบานอื่นแทนนะอากาศก็ถ่ายเทไม่มีเรก็ไม่มีลมพัดกระดาษที่ปลิวนะพอใจทั้งสองฝ่ายส้มก็เหมือนกันในคนเรานี่เวลามีเรื่องขัดแย้งกันเนี่ยถ้าเราไม่ ไม่ลองถามเหตุผลว่าทำไมเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแยง้งลุกลามมากขึ้นหรือว่าแก้ปัญหาไม่ตกไม่เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายจนกระทั่งต้องจับฉลากหรือว่าหารสองแต่ถ้าลองถามเหตุผลสักหน่อยเนี่ยมันอาจจะคลี่ลายหรือเกิดความเข้าใจได้ไม่ยากอย่างมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะก็นักเรียนเตรียมตัวสอบพ่อแม่ก็ให้ลูกเนี่ย อ่านหนังสือเต็มที่เลยนะเก็บตู้ในห้องเตรียมสอบบอากัว่าสักพักผ่านไปชั่วโมงนึงได้ยินเสียงเพลงจากห้องของลูกพ่อก็เกิดความไม่พอใจนะว่าให้ลูกทำไมได้เวลาสอบแล้วถึงมาเปิดเพลงฟังอย่างนี้มันจะถูกเหรอ ก็เลยเดินไปหาลูกทีแรกจะว่าลูกแล้วแต่ว่าได้คิดสักหน่อยก็เลยถามลูกว่าทำไมถึงเปิดเพลงดัง น, นี่มันเป็นเวลาที่ต้องเตรียมสอบอ่านหนังสือไม่ใช่เหรอลูกก็บอกว่าไอ้บ้าน ข, ข้างๆเนี่ยตรงด้านที่ติดกับห้องนอนของลูกเนี่ยเพื่อนบ้านนี่กาลังฉลองกันพูดคุยเสียงดังเอะอะวกเวก ลูกเลยไม่มีสมาธิอ่านหนังสือก็เลยใช้วิธีเปิดเพลงดังดังให้มันกรบเสียงเอตโตโลเวกเวกนะของเพื่อนบ้านใช้เสียงเพลงกรบนะเสียงรบกวน ล, ลูกจะได้มีสมาธิกับการอ่านหนังสือเพราะว่าฟังเสียงเพลงนี่มันก็ยังดีกว่าได้ยินเสียงเอตโตโลนะนะจากบ้านข้างๆ พอพ่อได้อยินเช่นนี้อ๋อพ่อก็เลยเข้าใจเหตุผลของลูกแทนที่จะว่าลูกนะก็เลยอ่าเห็นใจแล้วก็เข้าใจนี่ถ้าพ่อไม่ถามเหตุผลของลูกนะก็คงจะว่าลูกไปแล้วนะว่าลูกที่เกียดใกล้จะสอบแล้วยังไม่สนใจเรียนหนังสือเอาแต่ฟังเพลงเนะี่ยไปโน่นเลยแล้วก็จะเกิดความขัดแย้งกันนะพ่อก็ทุกลูกก็ทุกนะ ใ น, นเวลามันมีเรื่องที่ขัดแย้งเนี่ยก็ดีหรือเรื่องที่ไม่ถูกใจก็ดีเนี่ยบางทีถ้าเราถามกันสักหน่อยนะว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นทำไมถึงเรียกร้องอย่างนั้นเราก็จะพบว่าปัญหาหรือความขัดแย้งมันแก้ได้ไม่ยากนะหรือว่าแทนที่จะด่วนต่อว่าก็เข้าใจเหตุผลมันก็ทําให้เกิดอความ สัมพันธ์ที่ราบรื่นไม่ขัดแย้งกันแล้วคนเราเนี่ยเวลาเจออะไรเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยถามเหตุผลนะเรามักจะด่วนสรุปนะกับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรานะมีความขัดแย้งก็ไม่เด้ถามว่าทำไมถึงเรียกร้องต้องการอย่างนั้นก็ด่วนสรุปด่วนตัดสินให้ แม่ถ้าหากว่าไม่สอบถามลูก้วก็ก็แช่นาจน ะ, ะแบ่งครึ่งส้มให้ลูกซะเลยจบกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดีที่สุด